แต่ก่อนเนี่ยบางทีเวลาเราตื่นเนี่ยเราก็สิตรางงเงีย้ยตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ยังบางทีอยากจะนอนต่อแต่สภาพพวกนี้จะไม่มีเลยถ้าคุณฝึกนอนให้มีสติขึ้นมาแล้วเนี่ยตื่นบั๊บลุกขึ้นมาเลยแต่ว่าใหม่ๆอาจจะเป็นนะเพราะว่าเชื้อเก่ายัางมีอยู่แต่พอคุณฝึกฝึกไปสักพักหนึ่งโอ้หายเลยจิตนี่จะแข็งแรงจะกระปี้กระเปล่าแล้วถ้าคุณฝึกกลางคืนได้เนี่ย เรามีสติแล้วก็นอนพักได้ส่วนใหญ่ที่ที่จะไม่กล้าฝึกพวกเนี้เพราะเรามีอุปทานเก่าตรงที่เรากลัวกลัวอะไรกลัวว่าโอ้ถ้านอนแล้วมันมันมีสติเนี่ยเราคงไม่ได้หลับเลยสิอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจผิดอาจามันก็เคยเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเพราะอย่างงั้นถึงคิดว่าโอ้โหถ้านอนอย่างนี้ตายแน่ๆอีกหน่อยไม่ได้พักเลยอะ่ะมันมีสติอยู่มันจะไปหลับไงอะ่ะ อันนั้ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นความเข้าใจผิดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครฝึกมาแล้วลองไปฝึกดูถ้าคุณเข้าใจนะแล้วคุณได้ด้วยตัวเองคราวนี้คุณจะหมดสงสัยเลยเ่าเออเป็นได้จริงๆแฮะแล้วรู้เลยจิตใจปลอดโปร่งแจ่มใสขึ้นคราวนี้ยิ่งเวลากลางวันซึ่งเราตื่นอยู่แล้วคุณจะไม่ง่วงง่ายคุณจะไม่เพลียง่ายหรือว่าบางทีเวลาที่เราง่วงหรือเราเพลียเนี่ย จะ ท, ทันทีเลยนะมันจะปรับใจได้ง่ายปรับจิตของเราเนี่ยได้ง่ายสติจะตื่นได้ดีกว่ากว่ากลางวันในสภาพที่เรายังไม่เคยฝึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจริงๆยิ่งเนี่ยบวชมาได้ตั้งสิบกว่าพรรษาแล้วแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะหลายๆอย่างทั้งกายทั้งใจแล้วยิ่งนานวันก็ยิ่งศึกษา ในพระไตรปิฎกนะเราก็ยิ่งได้อ่านยิ่งได้เจอคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าวันนี้อาตมาเองยังนึกเหลือใจว่าเออคือไปอ่านเจอพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งยังนึกอยู่ว่าเออถ้าได้มาพูดกับมาคุยกับพวกเราในที่นี้แล้วเอออยากจะเอาสูตรเนี้ยมาให้พวกเราได้ได้ฟังดูเป็นสูตรที่พระุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสถึงพวกผู้ที่ยังคลองเรือนอยู่ผู้ที่ยังเป็นค า, ารว่าอยู่เนี่ยแหละ ก็คล้ายๆกับคารวาสธรรมนั่นแหละแต่คารวาสธรรมเนี่ยที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมสัจะธรรมะขันติจากะอันนั้นเป็นสูตรที่ที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแล้วแต่สูตรนี้ต้อมาเชื่อว่าคงไม่ค่อยได้ฟังกันหรอนะอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบอ็ดนะอยู่ในอภิญญาวรคหรือพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่อภิญญานี่หมายถึงว่าความรู้อันยิ่ง ความรู้อันเยี่ยมความรู้อันวิเศษแล้วก็ไม่ได้สลับซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะพระสูตรนี้พูะเจ้าท่านตรัสถึงการที่การที่เราจะมีบ้านหรื อ, อใครที่ยังอยู่ในครอบครัวใหญ่ท่านใช้คำว่าสามารถจะมีทรัพย์สินมีเงินทองหรือว่า มีคนอยู่กันหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าครอบครัวใหญ่ถ้ามีครอบครัวใหญ่อย่างนี้แล้วจะต้องปฏิบัติสี่ข้อนี้ถ้าไม่ปฏิบัติสี่ข้อนี้แล้วรับรองเลยครอบครัวนั้นก็จะรักษาไว้ไม่ได้นานนะก็จะพูดง่ายๆว่าก็จะเสื่อมโทรมแล้วก็จะอาจจะต้องบ้านแตกไปนะท่านตัดไว้ยอย่างนี้ท่านบอกว่า ครอบครัวใหญ่ไหนเนี่ยคืออาจมา ก, ก็นึกถึงว่าในที่นี้บางทีเป็นครูกันด้วยนะบางทีเราอยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นผู้จัดการหรืออาจจะเป็นครูใหญ่หรืออาจจะเป็นครูก็ตามนะซึ่งเป็นผู้ที่เหมือนกับดูแลลูกศิษย์เนี่ยดูแลนักเรียนก็เหมือนกับเหมือนกับบ้านหลังใหญ่โรงเรียนนี่เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ท่้นก็เลยนึกถึงพระสูตร น, นี้นะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสว่า บ้านใหญ่หลังไหนที่จะอยู่ไปได้นานนะให้มั่นคงให้สามารถที่จะต่อเนื่องไปได้ยาวนานได้หนึ่งจะต้องรู้จักสแสวงหาของที่หายโดยเฉพาะของดีๆนะของไม่ดีหายไปเนี่ยดีแล้วแต่ในที่นี้พูะพุทธเจ้าท่านหมายถึงของที่หายไปเนี่ยคือของที่ดี อะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นเราลองนึกดูถ้าเป็นในบ้านอย่างเงี้ยบางทีโอ้โหนะข้าของเครื่องใช้เราที่เรายังใช้ได้ดีอยู่เลยหรือบางทียังเพิ่งซื้อมาเนี่ยเพิ่งใช้ได้ไม่นานเงี้ยเอามันสูญหายไปนี่พุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องรู้จักสแสวงหาเพราะใครเนี่ยถ้าแบบว่าของดีๆหายไปก็เออดีๆหายไปเดี๋ยวซื้อใหม่หายไปเย๋ๆซื้อใหม่รับรองไม่นานหรอก นะทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอะไรจะต้องล่อยหลอไปอย่างรวดเร็วแน่นอนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอะไรดีที่หายไปแสวหงหากลับมาซึ่งถ้าเป็นข้าวของอาตมาคงไม่พูดมากหรอกเพราะว่าเราคงเข้าใจกันง่ายๆอยู่แต่ที่อาตมาอยากจะพูดเนี่ยอยากจะพูดถึงบางทีของดีอะไรหลายๆอย่างในาศาสนาพุทธเรานะซึ่งบางทีมันหายไป อาจมา ย, ยังจำได้ว่าตอนสมัยเด็กๆชั้นประถมก็ตามชั้นมัธยมก็ตามอะไรอย่างนี้สมัยที่เรียนหนังสืออยู่จำได้ว่ามีวิชาศิลธรรมนะได้เรียนต้องมีครูศิลธรรมมาสอนเผอๆบางทีก็เป็นพระท่านมาสอน้วยซ้าไปแต่ทุกวันนี้บางทีไม่มีแล้วหนีใช่ไหมวิชาศิลธรรมในโรงเรียนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะ เป็นจริยธรรมหรือเป็นอะไรไปก็แล้วแต่แต่พูดง่ายๆว่าอ่อนจางลงไปมากแต่คําว่าศิลธรรมเนี่ยหลุดออกไปละทุกวันนี้อาตมา ถ, ถึงได้เออค่อยๆเห็นความกระตือรือร้นที่หลายๆที่หลายๆแห่งพยายามที่จะหากลับเข้ามาซึ่งอันนี้อาตมารู้สึกว่าอันเนี้ตรงกับข้อที่พุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าจะต้องรู้จักสแสวงหาของที่หายไป หรืออาตมาก็นึกถึงคําของท่านพุทธทาสอ่ะที่ท่านบอกเอาไว้ว่านะถ้าศีลธรรมเนี่ยไม่กลับคืนมาโลกาจะวิณะนะแต่อันนี้เราพูดถึงเนี่ยในบ้านในสังคมหรือในโรงเรียนหรือว่าในประเทศนะถ้าสิ่งดีๆอย่างเนี้ยยิ่งถ้าเราเป็นชาวพุทธหลายอย่างเราจะเห็นเลยสิ่งดีๆเนี่ยเริ่มหายไปแล้วหายไปจากสังคม ของชาวพุทธเราหายไปเรื่อยๆอัตมาเนี่ยยังเห็นเอายกตัวอย่างง่ายๆเห็นพระภิกษุทั่วไปเนี่ยเชา้ชาๆท่านก็นมาเดินบินตบาดอันนี้ดีนะยังไม่หายนะเพราะอันนี้นี่เป็นหลักการหรือเป็นนิสัยที่พระเจ้ากําหนดไว้ให้กับภิกษุเลยว่าถ้ามาบวชเป็นภิกษุแล้วต้องบินตาบาดจะต้องสร้างนิสัยนี้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องบิณตาบาเป็นประจาเป็นปกติ ยกเว้นบา ง, บางเวลาบางกาล ะ, ะเท่านั้นเองแต่โดยปกติต้องมาบิณาบาต ท, ทุกวันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะภิกษุท่านก็ต้องพยายามรักษาไว้ใช่ไหมแต่บางทีญาติโยม่ะเช้าเช า, ชาเนี่ยบางทีอาตมาเดินบินาบาตไปเคยเคยคิดเหนึกกันคิดในใจนะเคยรู้สึกว่าโอ้หเนี่ยเราบิณาบาตผ่านไปเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่คนในเมืองไทยก็เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่บิณาบาตผ่านไปเนี่ยเป็นสิบคนเป็น ร้อยๆอยคนแต่มีกี่คนเนี่ยที่ทําบุญใส่บาตรพระบ้างในคนจำนวนมากในที่เดินผ่านไปเนี่ยเป็นร้อยร้อยคนนะเพราะว่าบินาบาตทีหนึ่งเนี่ยกว่าจะไปกว่าจะกลับนี่เป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นโอ้โหผ่านคนเป็นร้อยๆอยและส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเอาไม่ต้องเอามากเอาสักร้อยคนก็พอนี่นโอ้โหน้อยที่สุดละร้อยคนมี ทำบุญใส่บาตรพระสักกี่คนนับได้เลยลนับได้เลยอาอาจจะสักห้าคนอาจจะสักสิบคนนี่อาตมาให้เยอะแล้วนั้ะเนี่ยห้าคนสิบคนนี่ให้เยอะแล้วทั้งทั้งที่ความเป็นจริงไม่เลยแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นโบราณเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหคนยังศรัทธาพระพุทธศาสนาเนี่ยมากนะทําบุญใส่บาตรนี่เยอะบางที ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เวลาเดินไปรับบาทส่วนใหญ่คนแก่เฝ้าบ้าน <c oughs> นะพวกคนหนุ่มสาวหรืออะไรเอาไปทำงานทำการแล้วก็ไม่สนใจละแต่จริงๆจะใส่บาทจริงๆก็ๆใส่ได้นะเพราะต่มาพบอยู่บ่อยๆเหมือนกันที่เรียกว่าบางทีเนี่ยเขาต้องไปทำงานแต่เขาเตรียมอาหารไม่เสร็จหมดเรียบร้อยละหรือบางทีไม่เตรียมก็ได้เขาก็มาหาซื้อเอาใช่ไหม บางทีเขาขับรถผ่านมาหน่อยเออเออเห็นพระท่านก็ลงไปใส่บาตรแล้วจะเห็นเลยว่าถ้าถ้ามีมีศีลธรรมหรือว่ามีจิตใจที่เป็นธรรมะอยู่ในหัวใจจริงแล้วมันอยากใส่บาตรจริงๆจะมาจำได้ตอนปฏิบททัติธรรมใหม่ๆอ่ะตอนไม่ปฏิบททัติธรรมไม่เคยอยู่ในหัวสมองจริงๆด้วยไม่เคยคิดจะใส่บาตรพระเล ย, อ ย, อ, ยอย่าว่ า, อ ย, าอย่างนี้เลยนะ เห็นท่านเดินผ่านนี่ยังไม่ไว่ายเลยขอบอกตรงๆนี่บอกบอกของเก่าที่เคยมีเคยเป็นจากใจเลยอย่างนั้นจริงๆไม่ไว่ายหรอกจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรใส่บาตรเนี่ยเห็นท่านเดินผ่านถ้าเรามีใจที่เป็นชาวพูดจริงอะ่ะใช่ไหมเราลองศรัทธาในศาสนาพูดจริงแค่ยกมือไหว้เนี่ยมันมันมันเสียเวลาหรือว่ามันเสียเงินหรือเปล่า มันไม่เลยนะแต่แค่นี้เราก็ยังไม่ทำเลยอะ่ะมันหมายความว่ายังไงพระธรอยากจะบอกว่าแสดงว่าในใจเนี่ยนะมันหายไปเยอะและ้วมันสูญหายไปเยอะแล้วจากใจของของคนชาวพุทธเพราะอันนี้ลองไปถามตัวเองว่าจริงไหมะเ้านับต่อ น, นี้ไปเนี่ยถ้าเราเริ่มเข้าใจสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ขึ้นมาพระธรร ม, มาถามหน่อยว่ากล้าทำไหมข้อนี้ เพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทอําอ่ะเขาไม่ค่อยไหว้กันน่ะเขาไม่ค่อยใส่บายกันน่ะแต่เรากล้าทํำไหมล่ะอาตมาบอกได้เลยว่าคนที่จะกล้าทําได้นี่นะกล้าจะทําดีได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีดีอยู่ในใจขึ้นมาก่อนถ้ามีดีในใจของตัวเองขึ้นมาได้แล้วจะกล้าทำวันพออาตมาเริ่มปฏิบัติทำนะเออมันเริ่มชักชักเข้าใจ โอ้โหคราวนี้อยากใส่บาตรพระมากเลยไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยทำอาหารเลยเพราะเอาแต่กินที่คนอื่นทำมาไม่เคยคิดว่าจะต้องมาทำอาหารเองอะไรเองไม่เคยอยู่ในหัวสมองแต่พอมีธรรมะในใจขึ้นมาอยากอยากจะใส่บาตรพระมากเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความอิ่มอกอิ่มใจมากเลยถ้าได้ทำบุญใส่บาตรพระไปตลาดเองเลยคราวนี้เคยแต่นอนดึกๆนะ เที่ยงคืนไปแล้วถึงจะนอนคือคือสมัยก่อนเนี่ยทีวีโทรทัศน์ตรร่างต่างมันเลิกเที่ยงคืนนะเราก็ต้องดูจนจบอ่ะจบแล้วถึงจะค่อยไปนอนเพราะสมัยก่อนเนี่ยหลังเที่ยงคืนถึงจะนอนแต่พอเริ่มปฏิบัติธรรมคราวนี้พยายามเลยก็เราอยากจะใส่บาศัยบาตรพระตอนเช้าอะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแก้ทีสายตัวเองพยายามนอนให้หัวค่ําขึ้น เพื่อที่จะได้ตื่นแต่เช้ามืดไปตลาดไม่เคยไปจ่ายตลาดเองเลยแต่ใจที่มีเนี่ยใจที่ศรัทธาธรรมะ เ, เลยไปตลาดไปไม่รู้อิโนยเนี่ยเลยจะทําอะไรยังไงจะซื้ออะไรตรงไหนไปถามแม่ค้าในตลาดเอาถามเลยเสมมติว่าจะอะไรอ่ะทาแกงเนี่ยจะซื้อ A A A, ไอ้ไอ้นี่ตรงไหน แล้วล้วก็จะทำยังไงบ้างไปถามเขา เ, าเขาก็บอกไปซื้อตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไปซื้อเสร็จอาปลูรวมมาได้เอากลับมาที่บ้านนะทาเองไม่เคยทำเลยยังนึกเวใจว่ า, วาไม่รู้พระท่านจะฉันได้หรือเปล่าเนี่ยนะเราทำไปนี่เพราะว่าไม่เคยทำมาเลยในชีวิตปรากฏว่าทำเองแต่ทำไปแล้วเนี่ยนะเหลือไว้หน่อยนึงนะเหลือไปนิดนึงคือคือตอนทำอะเราก็คิด ไปตามภาษาธรรมเนียมโบราณนะว่าเอาทำอาหารถวายพระนี่ห้ามชิมนะห้ามห้ามไปชิมก่อนพระนะเราก็เลยไม่กล้าชิมเลยนะคืออันนี้เ ป, นเป็นเป็นความเชื่อซึ่งจริงๆแล้วไม่ไม่ถูกหรอกนะเราจะชิมดูบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันเป็นความเชื่อที่ว่าเอ้ยไม่ได้ห้ามชิมเลยเพราะนั้นก็เลยไม่กล้าชิมก็เลยทำทำเสร็จแล้วแต่ว่าเหลือไว้นิดนึงเอาไว้ลองชิมดูเอง แต่ว่าให้เราเนี่ยใส่บาตพระเสร็จก่อนแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยถึงจะเอามาลองกินดูว่าท่านจะฉันลงหรือเปล่าไอ้ที่เราทําไปเพราะมั่วเลยขอบอกตรงตรงมั่วเลยนะจะใส่อะไรอ่ะใส่พริกใส่ใส่เกลือใส่อะไรอ่ะแต่ธรรมาทาเป็นมังสวิรัติแน่เพราะว่าพอศึกษาธรรมะเข้าใจแล้วเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์นี้ไม่ไม่ทำก็ทําเป็นมังสวิรัตเนี่ย แล้วก็ถวายพระท่านไปก็ปรากฏว่าอันเนี้ยให้เห็นชัดเลยมันเป็นผลจริงๆซึ่งอาจามาถึงบอกว่าสิ่งเราเนี้ยสูญหายไปจากใจของชาวพุทธนี่เยอะมากเลยเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่สูญหายอย่างเนี้ยดึงกลับมาได้ไหมจะต้องติดตามจะต้องสแสวงหากลับมาให้ได้ถ้าสแสวงหากลับมาได้อ่า สาธนาพุทธก็จะยั่งยืนยาวนานได้อีกต่อไปแต่ถ้าปล่อยไปเหมือนทุกวันนี้บอกได้เลยนับจำนวนวันได้เลยว่ากี่วันบ้างที่จะทำบุญหรือจะใส่บาตรพระปีหนึ่งมีสามรอยหสิบห้าวันถูกไหมแต่กี่วันน่ะที่ที่บอกว่าเออเราเป็นชาวพุทธเพราะฉนั้นเราก็มาทำดีนะโธ่ไม่กี่วันเองอาตมาว่าตัก1สิบวันไม่รู้จะถึงหรือเปล่า ในสามรอยกว่าวันเนี่ยส่วนใหญ่บางทีจะทําวันไหนบ้างอะอ่าวันคล้ายวันเกิดของเราเออนึกได้ถ้าอะไรตัวเองเนี่ยนั้นนึกได้จําแม่นเออวันนี้วันคล้ายวันเกิดเราก็ทำบุญใส่บาตรผ้าสักหน่อยเออจะอย่างเงี้ยแต่บางทีอันเนี่ยที่ผ่านมาสดๆร้อนๆวันอาสาหามั่งวันเข้าบรรษาบ้างบางทีก็แทบ เขาหยุดให้นะทางการเขาหยุดให้นะแต่บางทีไปไหนไม่ได้ไปวัดหรอกหรือไม่ได้ไปฟังธรรมหรอกโอ้ไปเที่ยวเตไปกินสู่ดื่มเสพอะไรตามที่เราจะชอบใจวันนี้เนี่ยคือความจริงเลยแม้ว่าเปลือกนี่จะมีอยู่เปลือกนี่คือจารีตประเพณีวิธีกา ร, รอะไรต่างๆมีอยู่แต่เนื้อไม่ได้ละแก่นไม่ได้ล้ วอนถ้าปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆนะให้สูญหายไปอย่างนี้เรื่อยๆรับรองเลยจะเป็นเหมือนอผู้ยุติเจ้าท่านตัดซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าท่านก็นรู้ล่วงหน้าไปหมดแล้วนะท่านก็นตัดไปเลยจะเหมือนกับกองอนักะคือกองเนี้ยใหม่ๆเนี่ยจะโอ้โหทําอย่างดีเลยนะตีเสียงดังไพเราะดีมากกล้องกลงวานแต่นานวันเข้าเนี่ยกรองนี้ก็จะแตกมั่งปรีมั่งอะไรมั่งก็เขาก็มาโปะโปะโป ะ, โปะเอามาปะป ะ, ปะ จนกระทั่งแทบจะไม่เหลือเนื้อจริงๆเนื้อแท้ๆของกรองอากาศนีแ่แหละพูดง่ายๆว่ามันเหลือแต่เปลือกคุ้มภายนอกเท่านั้นวันนี้จะต้องระวังเพราะข้อ น, นี้แล้วใครล่ะที่จะช่วยได้ดีที่สุดเขาละวาญาติโยมที่ศึกษาธรรมะที่รู้ธรรมะแล้วมีธรรมะในหัวใจนะจะช่วยดูแลจะช่วยรักษาให้ให สิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดต่อไปเพราะั้นอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองพูะเจ้าทผนดัตจะต้องรู้จักซ่อมแซมของเก่าคราวนี้ไม่ใช่ของที่หายไปนะอันแล้วนะลกี้เนี่ยของที่หายไปเหมือนกับที่อาตมาบอกว่าวิชาศิลธรรมเนี่ยหายไปจากโรงเรียนนานแล้วนี้เขาพยายามดึงกลับมา อ, อย่างเงี้ยเนี่ยสแสวงหาของ ของที่หายไปกลับคืนมาแต่ตอนนี้ซ่อมแสงของเก่าคือของที่มีอยู่นี่แหละเรายังเห็นอยู่อย่างที่อาจารกี้อาจรมาบอกเรื่องทาบุญสาบาตรพระมัง่งหรือเอาง่ายๆดีกว่าเอาใกล้ๆตัวเราเราก็รู้อยู่ว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นชาวพุทธนะเราก็นับถือศาสน า, าพุทธข้อปฏิบัติหลายๆอย่างเราพอรู้อยู่เอาง่ายๆโดย ประเพณีโบราณหรือแต่เก่าก่อนมาบางทีก่อนนอนเนี่ยเราก็สวดมนต์ไหว้พระบ้างหรือบางคนสวดมนต์ไหว้พระไม่เป็นทุกวันเนี่ยแค่น้ำโมขึ้นน้ำโมยังไม่ไม่ถูกเลยบางคนเพราะฉะนั้นเอาละขึ้นน้ำโมไม่เป็นก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่อย่างน้อยๆน่ยก่อนนอนเนี่ยนะเราระลึกถึงพระพุพะทธธรรมพระสงค์ เราเราลืกถึงครูบาอาจารย์เราเราลืาากถึงพ่อแม่นะหรือว่าเนี่ยเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเนี่ยแล้วเราก็กราบงามๆก่อนนอนสักสามครั้งสำหรับคนที่บางทีนึกคำสวด น, นึกอะไรไม่ออกเลยนะก็ใช้การตั้งจิตที่ดีงามเนี่ยเราลืกถึงสิ่งดีๆก่อนที่จะนอนแล้วก็กราบงามๆสามครั้ง อย่างพวกอาตมาเนี่ยมักจะแนะนําพวกโยมว่าอางกราบเนี่ยพยายามกราบช้าๆนะให้ค่อยๆลงแล้วก็ค่อยๆขึ้นทำไมให้ทำช้าๆเพราะการทำช้าๆเนี่ยทำให้จิตมีสติมีสมาธิที่ดีมีการตั้งใจที่ดีเพราะฉะนั้นการที่ใครเนี่ยจะกราบช้าๆได้ต้องตั้งใจใช่ไหมไปสังเกต ด, ดูเลย ถ้าคุณตั้งใจจะทำอะไรเนี่ยคุณจะ ร, ระมัดระวังเพราะมันจะไม่เร็วนักหรอกมันจะค่อยๆลงค่อยๆขึ้นมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าใครเนี่ยกราบเร็วๆมันมันไม่ค่อยตั้งใจอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าเสร็จลวกๆลวกๆแล้วก็เสร็จๆไปคือมันจะไม่มีความตั้งจิตไม่มีความตั้งใจไม่มีสมาธิหรือไม่มีสติพอก็ยิ่งครานี้ก่อนนอนซึ่ง ก่อนที่เราจะหลับไหลไปเนี่ยเราควรจะไปด้วยจิตที่ดีงามใช่ไหมเพราะนั้นการสวดมนต์หรือว่าการไหว้พระก่อนนอนนี่เป็นการที่จะจูงนำจิตเราเนี่ยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่แล้วเพราะหลายคนเนี่ยรู้หลายคนนี่สอนลูกสอนหลานด้วยนะแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เราสอนสอนบอกไปแต่ตัวเราไม่ทำแฮ เหมือนกับอาตมาเดินไปบิณธบาตเนี่ยหรือบางครั้งก็ไม่ใช่เดินบินธบาติหรอกก็เดินผ่านญาติโยมไปเนี่ยบางคนนี่จูงเด็กมานะจูงเด็กมาผู้ใหญ่จูงเด็กม า, กมาปรากฏว่าเห็นพระโอโ้โหดีจังเลยผู้ใหญ่คนนี้บอกอาจจะเป็นลูกหรือหลานบอกอ้าพระอ้านี่พระท่านผ่านมาแล้วอ้าวยกมือไหว้สอนสอนเด็กแต่ตัวเองไม่ไหว้อะ แต่ารยยังบอกว่าโ อ, อย้ยางงี้ไม่ถูกนะไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเราสอนเด็กบอกว่าอ้าวนี่พระท่านผ่านมาแล้วนะอ้าวไหวพระท่นานไหวพระท่านเราต้องยกมือไหว้ด้วยอย่างนี้จึงจะเป็นการสอนที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เด็กแล้วบางทีเนี่ยบอกได้เลยต่อให้เราไม่ไม่พูดให้เด็กฟังนะว่าอ้านี่พระท่านนะเราไหว้นะบางทีเราไม่ต้องพูดเลยแต่เราทําเป็นตัวอย่างเนี่ยเราไหว้ให้ดูเลย เด็กจะจดจะจําเด็กกับจะเอาไปทําตามได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาบอกว่าอะไรนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนเราอาจจะเคยได้ยินสำนวนนี้มาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอาตมาว่าแม้แต่เรื่องเนี้ยสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนบ้างบางคนก็ตื่นนอนเอตื่นนอนเขาก็สวดมนต์ไหว้พระเพราะฉะนนสิ่งที่ดีอย่างเนี้ย นะแล้วก็ยังพอจะมีอยู่พอเห็นอยู่ซ่อมแซมได้ไหมสำหรับใจของคนที่เคยทำมาแล้วก็หลงหลงเลืมลืมไปแล้วแล้วก็ชักไม่ค่อยทำแล้วเอา้าสิงานี้มันทำได้นี่ไม่เสียเงินไม่เสียเวลาอะไรมากนักหรอกทำได้วันซ่อมแซมซะของเก่าที่ดีนะควรกระทำทำซะเพราะ การที่เรามีอะไรอยู่เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ดูแลเราไม่รักษาตามสัจธรรมตามความเป็นจริงของชีวิตมันก็เสื่อมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสัจจะอยู่แล้วเราซื้ อ, อสมมติเราซื้อโตะ๊ะหรือว่าเก้าอี้นี่มาใช้เราก็ต้องใช้งานมันพอใช้งานไปใช้งานไปใช้งานไปเอ้ามันก็ต้องค่อยๆ อ, อะไรอะ่ะสกระปรกบ้างเก่าไปบ้างแน่นอนบางทีก็ชํารุดบ้าง แต่ถ้าเราเอ า, เอาตรงนี้ชำรุดไปหน่อยเอ า, เอาซ่อมซะใช่ไมเอาตรงนี้มันสกะปกไปหน่อยเอามาเช็ดมาทำความสะอาดซะถ้าเราหมั่นดูแลรักษาเนี่ยของเก่าจะใช้ไปได้ยาวนานแล้วก็ไม่มีของเก่าไหนหรอกหรือของที่เราซื้อมาใช้แล้วที่จะไม่เก่าแล้วก็จะไม่ผุพังจะไม่ ส, สูญสลายไปไม่มีหรอกในโลกนี้แม้แต่ศาสนาพุทธก็ตามในที่สุดก็จะต้อง ศูญสลายไปพวกเราเคยจะยินแม่ที่เขาพูดพูดกันนะ่ว่าศาสนาพุทธนี่จะหมดหรือว่าจะศูนย์ไปภายในกี่ปีน ะ, ะห้าพันปีเขาก็พูดพูดกันเพราะนั้นแม่แต่ศาสนาพุทธเองก็ถึงเวลาเสื่อมสลายแล้วก็ศูนไปในที่สุดแต่ถึงจริงไหมอ่ะ 5,000 ปีถึงแบบเปลือก หรือถึงแบบว่าโอ้โหยังสามารถรักษาได้ดีพอสมควรถ้าไม่รักษาให้ดีนะอาตมาบอกได้เลยว่าไม่ถึงหรอกห้าพันปีอ่ะพอทุกวันเนี้อาตมาว่ามันเหลือเอาชาวพุทธมาเลยนะทําสติติเลยสมมติว่าในเมืองไทยเนี่ยมีชาวพุทธสักกี่สิบล้านคนแล้วก็เอามาเลยทําสติติออกมาเลยสักกี่คนที่ ปฏิบัติธรรมที่ที่มีศาสนาพุทธอยู่ในหัวใจจริงๆและเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆของตัวเองมีสักกี่คนโอ้โหอัตมาว่าไม่รู้นะจะสักกี่เปอร์เซ็นต์หปซจะถึงไมหนึ่งอร์จะถึงไม่อัตมายังไม่แน่ใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ่อมแซมของเก่าที่เราเห็นเห็นเรารู้รู้อยู่ เอ า, อา ง, ง่ายๆเด็กนักเรียนทุกวันเนี้ยอตมาก็เคยไปฝึกสอนเคยไปอะไรมาขาะยุคที่อตมาไปฝึกสอนนะโอ้โหอวมายังเห็นเลยว่า น, นักเรียนเนี้ยเริ่มเริ่มที่จะอะไรอ่ะรับวัฒนธรรมแบบของฝรั่งอ่ะของตะวันตกเนี่ยเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆล ย, ยิ่งทุกวันนี้แทบไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหเพราะว่าพวกเขาทั้งดูหนังทั้งฟังเพลงทั้ง คอนเสิร์ตทั้งอะไรอะ่ะไอเรื่องของวัยรุ่นเพราะนั้นทุกวันนี้โอ้โหได้ข่าวแล้วมันสลดใจนะมันสังเวชใจเด็กมัธยมไม่กี่ขวบเองบางทีอ้าวยัวมาหึงหวงแค่อายุส5บห้าหรืออายุเท่าไหร่ไม่กี่ขวบเองโอ้โหมันหึงหวงลากปืนเอาไปยิง คนอื่นตายโอ้ฟังแล้วมันมันม น, น่าสลดจริงๆหรือเด็กนักเรียนไม่ว่าผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามโอ้ไปทำตัวแบบเหมือนกับอะไรอ่ะหากินเหมือนกับโสเพณีอ่ะผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามโอ้เยอะแยะมากมายขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นเลยเห็นไหมว่าอาตมาถึงบอกว่าถ้าไม่สามารถารักษา วัฒนธรรมที่ดีงามแบบของพุทธให้อยู่ได้นะวัฒนธรรมแบบตะวันตกซึ่งจริงๆวัฒนธรรมตะวันตกที่ดีๆเขาก็มีนะแต่มักเรามักไม่ค่อยเอามาแฮเอามาน้อยแต่วัฒนธรรมออของฝรั่งเขาเนี่ยที่ไม่ดีกลับเอาเข้ามาเยอะแล้วพวกวัยรุ่นเนี่ยซึ่งบอกแล้วยิ่งไม่มีธรรมะอยู่ในหัวสมองเลยเพราะเรียนหนังสือกลับบ้าน สื่อต่างๆที่เขารับเข้ามาเป็นสื่อแบบ เ, เร็วๆไลายสื่อดีๆไม่ค่อยมีอกเอาง่ายๆแค่หนังสือพิมพ์ก็ได้คุณไปดูหน้าหนึ่งของห น, งนังสือพิมพ์มีข่าวดีๆนะข่าวที่อะไรนะอ่านแล้วทำให้เชิดชูจิตใจให้ดีงามเนี่ยให้ให้ให้เห็นตัวอย่างที่ดีๆในสังคมอะไรเงี้ยมีสักกี่ข่าว หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้อาตมาเคยถามคนไปหลายคนแล้วบอกเนี่ยเนี่ยใครเคยอ่านหนังสือพิมพ์บ้างแล้วก็มีกี่ข่าวที่เป็นข่าวที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมถูกเลยนะอย่างอย่างที่โยมคนนี้พูดมาเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้เป็นตัวสื่อจะเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์อะไร ส่วนใหญ่เลยก็ไม่ค่อยมีธรรมะในหัวใจเขามีอาชีพจริงมีอาชีพเป็นนักข่าวแล้วเขาก็ขายข่าวเพราะฉะนั้นข่าวที่ลงส่วนใหญ่อย่างที่ละกี้โยมคนนี้บอกโอ้โหข่าวเรื่อๆเถ อ, อะไล่ามาตั้งแต่พระเลยนะซึ่งจริงเอี่ะพท่านก็ไปทำผิดจริงอันนี้ไม่ได้เถียงนะพระท่านทำผิดจริงก็ลงข่าวพารเ ห, หายถูกก็ แม้เป็นนักบวชก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเอ้าพระไม่ดีก็มีจริงๆอ่ะแต่พระดีๆก็มีใช่ไหมทําไมไม่มเมาเอามาลงบ้างนะพระดีทีอ่ะแต่แต่ละวันส่วนใหญ่โอ้โหพระทำเร็วๆเร้ยลลยหรือไม่ต้องพระครูก็ตามขึ้นหน้าหนึ่งเป็นประจำใช่ไหมขึ้นหน้าหนึ่งเป็นประจำเลยโดยเฉพาะเรื่องหลังๆนี่นะเรื่องกับเด็กนักเรียนผู้หญิงมั่งเรื่องอะไรมั่ง พาอะไรต่ออะไรบ้างโอ้โหแล้วมันมีแต่อย่างเนี้ยพูดง่ายๆคุณก็อ่านอย่างนี้ไปทุกวันนะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งอะไรนะะอ่านอย่างนี้อยู่ทุกวันพูดง่ายๆ่าคุณไม่เมาก็แปลกไปละถูกไหมละ่ะเพราะฉนั้นจริงๆเนี่ยมันแก้นี่มันต้องโอ้โหแก้กันทั้งระบบเลยนะไม่ใช่แค่มาแก้ที่ครูหรือว่าที่โรงเรียนนะแม้แต่เนี่ยทุกสาขาอาชีพต่างๆ ถ้าไม่มีธรรมะขึ้นมาไม่มีศีลธรรมขึ้นมาในหัวใจคุณแก้ปัญหาอะไรแก้ไม่หลุดหรอกยิ่งสื่อเนี่ยตัวสำคัญนักละ่ะเพราะว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนมากมายคนทุกวันนี้ทำงานแต่เช้าจดเย็นกว่าจะกลับบ้านไปถึงบ้านซักเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรเสร็จนอนแล้วแทบจะไม่มีเวลาไปอื่นเพราะฉะนั้นเจออะไรเป็นส่วนใหญ่ทีวีใช่ไ้ยโทรทัศน์ฟังวิทยุ คุณเจอแต่อย่างเงี้ยเยอะที่สุดในชีวิตประจำวันแล้วถ้าสื่อเหล่านี้เปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ได้ไไดก็ยั่วยอมม้อมมัมม่เมาคนไปในทางเลวร้ายหนักข้อขึ้นแต่ถ้าเป็นคนที่ศึกษาธรรมะเขาจะธรรมะเออพอแยกแยะได้เอออันนี้มันเป็นข่าวไม่ดีเขาลงให้เห็นว่าเนี่ยไม่ดีอย่างนี้ก็มีในสังคมอย่าไปเอาตัวอย่างอย่าไปทาตาม เอาคนที่จิตใจเข้มแข็งแล้วแยกผิดแยกถูกได้เอาเขาก็ไปแยกได้แต่ไอคนที่มันไม่ศึกษาธรรมะเลยอะบอกแล้วว่ายังมิจฉ้าทิถีอยู่เลยยังไม่มีสัมมาทิถีเลยมันไม่แยกหรอกนะบางทียังสนุกซะด้วยอย่างเออเ อ, อ, เ อ, อแหมแห่ไปดูเลยนะแห่ไปดูเลยเผลอๆก็ร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันไปเลยนะช่วยช่วยกันปิดศีลหนักขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นแล้วอัตมาถึงบอกว่าโอ้โหปัญหานี้หนักแต่ถึงจะหนักหนายังไงของเก่าที่ดีที่เราควรจะซ่อมแซมควรจะแก้ไขควรจะช่วยกันบำรุงควรจะช่วยกันพัฒนาเนี่ยก็ต้องทำแม้ว่าน้ำจะน้อยย่อมแพ้ไฟก็ตามอันนี้อัตมาหมายความว่าในที่สุดเรารู้ว่าแม้าศาสนาพุทธก็จะต้องเสื่อมสูญแล้วก็หมดไปใช่ไม อ่าหมดก็ตามพยากรตามอะไรต่างๆมันมีอยู่แล้วละ่ะนะแต่ยุคนี้ปัจจุบันนี้กาลนี้เราเป็นคนหนึ่งได้ไหมที่เราพยายามจะกอบกู้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเนี่ยให้ดีขึ้นเพื่อที่จะช่วยพยุงไวให้าศาสนาไปให้ยาวนั้นอาจจะเกินห้าพันปีก็ได้ถ้าพวกเราช่วยกันนะอ่าอาจจะเป็นหมื่นปี จริงๆคาว่าห้าพันปีเนี่ยไม่ใช่ผู้เจ้าท่านพยากรณ์ทีเดียวหรอกนะแต่เป็นการเปรียบเทียบที่ผู้เจ้าท่านเปรียบเทียบขึ้นม า, อาพอเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็พะพูดออกมาอย่างนี้ก็คนก็เลยจับเอาตรงนี้ว่าอยู่ได้ห้าพันปีเอามาจนกระทั่งพูดกันเกลออัตมาก็เอาส่วนใหญ่เขาเข้าใจอย่างนี้ก็อย่างนี้แต่ความจริงเนี่ยอยู่ที่พุทธศาสนิกชน